ในห้องนี้มีใครบ้างไหมคะที่ไม่โกรธมีไหมคะเราไม่ทัาทิตของคนอื่นในขณะนี้ครับค่ะแต่ว่าพอจะรู้ได้ไหมพอจะอรู้มาได้ครับว่าทุกคนต้องเคยมีโกรธครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเห็นโทษของความโกรธมากน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันขอพูดเฉพาะเรื่องนี้ที่โกรธจนถึงกับเกือบจะฆ่ารหรือคิดจะฆ่าถึงไม่ฆ่าเขาตายไหมเขาต้องตายครับ ถ้าเราไปฆ่าเขากับเขาตายเองเนี่ยเป็นโทษกับเราที่ฆ่าแต่ถ้าเขาตายเองโดยถึงเวลาที่เขาต้องตายไม่มีโทษกับเราเลยใช่ไหมคะเขาถึงยังไงเขาก็ต้องตายคนที่เราโกรธก็ต้องตายคนที่เรารักก็ต้องตายคนที่มีคุณกับเราก็ต้องตายความตายเป็นของธรรมดาแล้วก็เกิดขึ้นเป็นกรรมของบุคคลนั้นที่ถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเราคิดว่าเราฆ่าเขา มีอกุศลแรงถึงปานนั้นแต่เขาไม่ได้ตายเพราะการฆ่าของเราเขาอาจจะบาดเจ็บสาหัสก็ได้หรือว่าไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสก็ได้แล้วแต่กําลังการกระทําแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องตายเขาก็ไม่ตายเพราะฉันเต่้ให้เราพยายามไปทําคิดจะให้เขาตายสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายถูกต้องไหมคะครหรือว่าต้องตายแน่เพราเราค่าเขาตายเพราะถึงเวลาที่เขาต้องตายเพราะฉันไปฆ่าเขาเสียเวลาทําไม ในเมื่อถึงเวลาเขาจริงจะตายนะคะแต่กลับเป็นโทษของเราที่ลืมคำที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีหรือเปล่าเขามีหรือเปล่ามีแต่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลนี่ก็ต่างกันมากเพราะฉะนั้นอกุศลที่เกิดขึ้นไม่ได้ให้โทษกับคนอื่นเลยให้โทษกับจิตที่มีอกุศลนั้น ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีการเห็นโทษของอกุศลว่าเมื่ออกุศลได้เกิดแล้วก็ทำให้จิตเศร้าหมองกรรมใดที่ทำแล้วต้องเป็นปัใจจัยให้ผลเกิดก่อนปรินิพานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวลเพราะอะไรคะมีใครทำให้หรือเปล่าไม่มีใครทำให้เลยใช่ไหมคะครับแต่กรรมที่ได้ทาแล้วมี เป็นเหตุให้แม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชวน mm. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำให้ใครเดือดร้อนนะคะถึงเวลาก็เกิดขึ้นและเวลาที่เขาเดือดร้อนจริงๆนี่นะคะเราสงสารมีใคร mm. บ้างที่ไม่สงสารเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ยินได้ฟังซึ่งไม่ควรจะเกิดเลยแต่ก็เกิดขึ้นเพราะการกระทาจากอากุศลคือความโกรธเมื่อวันสองวันหรือมเช้าก็ได้ยินเรื่องผู้หญิงใช่มค้างมีคันแก่ แล้วก็ถูกแทงตายได้ยินอย่างนี้เป็นไงคะสงสารใช่ไหมคะคแล้วก็กรรมอะไรล่ะที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กรรมคนอื่นเลยกรรมของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นจากเราชาตินี้ไปเป็นคนหนึ่งคนใดชาติหน้าและผลของกรรมที่ทําไว้ก็จะทําให้ได้รับผลอย่างนี้เมื่อผลเกิดแล้วมีการสงสารแต่ก่อนที่ผลจะเกิดมีการไม่ชอบอยากให้เขาตายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะ เขาต้องตายแน่ไม่ต้องอยากเขาก็ตายแล้วก็อะไรจะเกิดกับเขาก่อนตายก็ไม่มีใครไปยับยั้งได้เพราะว่ากรรมเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นมือที่มองไม่เห็นถ้ารู้อย่างนี้และเขากำลังจะตายเพราะเราไม่ได้ฆ่าแต่ตายเพราะกรรมที่เขาได้ทำไว้ทำให้ต้องเจ็บทรมานแสนสาหัสสงสารไหมคะสงสารครับค่ะสงสารพระชนจัของเราเริ่มอ่อนโยน แม้แต่คนที่เราไม่ชอบแม้แต่คนที่เป็นศัตรูอ่ อ, อนโยนที่ว่าเขาจะตายไปโดยไม่เข้าใจธรรมะกับการที่เราเองมีโอกาสได้ฟังธรรมะและกรรมที่ได้ทาไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะให้ผลชาติหรือเลวชาติในหรือชาติหน้ า, ต า, ต า, ตาตแต่ขออยากให้เป็นอกุศลกรรมที่จะทาต่อไปอีกที่จะทําให้เกิดผลนั้นๆเพราะว่าอดีตชาติก่อ น, อนๆเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ ว่าเราได้ทำกรรมอะไรบ้างแล้วท่านพระมหาโมคคันลานะเจ็บสาหัสก่อนที่จะปรินิพานท่านพระสารีบุตรก็สาหัสเจ็บมากทรมานมากแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเพราะกรรมทั้งสิ้นไม่มีใครต้องทำให้เลยเพระเจ้ควรเห็นโทษของอกุศลกรรมแล้วก็มีความเมตตาในทุกคนที่กำลังได้รับผลของอกุศลกรรมพระเจ้อย่าให้เราเป็นคนที่ต้องทำกรรมนั้น ถ้าคิดอย่างนี้ก็สบายไม่ต้องทําอะไรเล ย, เลยค่ะคนที่เรารักหรือคนที่เรากดล้วนตายทั้งนั้นตามกรรมของเขาด้วยแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่มีการได้รับความเทอรมารเจ็บปวดสาหัสจากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจธรรมะน่าสงสารกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีเมตตาต่อกันวังดีต่อกันเกื้อกูลกันที่จะให้ได้รับประโยชน์สูงสุดของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องตายทั้งนั้นค่ะแต่ขอให้ได้เห็นถูก ในโทษของอกุศลจนไม่ทำอกุศลละกั